ชาตอนความรักความร้ายความรักก็เหมือ น, นจานจับไฟนั่นแหละทางที่จะไม่ให้มือพองเพราะไฟเผามีอยู่ทางเดียวคื อ, อาจะจับไฟเล่นกับไฟ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 เธอรักอะไรเนี่ยอ น, อนนน์น่ะข้าพระพุทธเจ้ารักในตาพระอานอนน์พระเจ้าค่ะในตานั้นนะ่ะประกอบขึ้นด้วยเส้นประสาทและเนื้ออ่อนต้องมันเจ็ดสิ่งสกปรกในดวงตาอยู่เป็นนิดนะมีขี้ตาไหลออกจากในตาอยู่เสมอขั้นแก่ลงก็จะฝ้าฟางขุ่นมัวไม่แจ่มใสอย่างนี้นะ่ะเธอยังรักในตาของอานอนน์อยู่หรือ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 มีสิ่งปฏิกูลพึงลังเกียจแม้พระศาสดาตรัสอยู่อย่างนี้ความรักของเธอที่มีต่อพระอานน์ก็หาลดลงไม่แม้บางคราวแสงสว่างฉายวูบเข้ามาสู่หัไทยของนางจึงทำให้นางมองเห็นความเป็นจริงตามพระศาสดาตรัสก็ตามแต่มันมีน้อยเกินไปไม่สามารถจะข่มความสเส neh หาที่เธอมีต่อพระอนนท์เสียได้เหมือนน้ำน้อยไม่พอที่จะดับไฟโดยสิ้นเชิง ไฟคือราคาในจิตใจของนางก็ฉะนั้นคุกรุนอยู่ตลอดเวลานางคิดว่าจะทำฉไหนหนอจกสามารถอยู่ใกล้พระอานนท์ได้เมื่อไม่ทราบจะทำประการใดจึงทูลลาพระาศาสดาและพระอานนท์กลับบ้านก่อนกลับนางไม่ลืมที่จะชำเรเลืองมองพระอานนท์ด้วยความเสน่หา เนื่องจากมาสีเวลาในวัดเชตวันสนาน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 ให้รุ่มร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาไม้ท่อนไม้และแกลให้แห้งเกรียมข้อแตกต่างแห่งกิเลสทั้งสามประการนี้ก็คือราคะนั้นมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสัมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยบุคคลซึ่งออกบวชแล้วประพฤติตนเป็นผู้ไม่มีเรือน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 โกสัมพีทราบข่าวนี้ด้วยความชื่นชมโสมนัสไปสู่สงต่างจัดแจงปัดกวาดเสนาสนะตเตรียมพระตันท ก, กุฎีที่ประทับของพระาศาสดาพระเจ้าอุเทนเองซึ่งไม่ค่อยจะสนพระไัยในทางธรรมนะักก็อดที่จะทรงปรีดาปราโมทไม่ได้เพราะถือกันว่าพระาศาสดาเสด็จไปณที่ใดย่อมนำความสงบสุขและมงคลไปสู่ที่นั้นด้วยการสนทนาเรื่องการเสด็จมาของพระาศาสดา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 ใครก็รู้ว่าเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาน่ยจะต้องมีพระเถระผู้ใหญ่มาด้วยหรืออาจจะมาสมทบที่หลังก็ได้แต่ท่านที่ต้องตามเสด็จแน่ก็คือพระอ น, นุ์พุทธอนุชาไงล่ะพระอา น, นุนนางอุทานพร้อมด้วยอามือท่าปกทำไมเลสโกกีลาดูท่านตื่นเต้นมากเหลือเกินนะปล่าหรอกข้าพระเจ้าดีใจนะที่จะได้ฟ้าพระศาสดาและฝั่งพระธรรมเทศนาของพระองค์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 แม้จะถูกเขี่ยนมาจนปวดร้าวไปทั้งตัวแต่พอมารดาผู้เพิ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอ่อนๆหวานสักคู่หนึ่งและแถมดรืยอขนมชิ้นน้อยบ้างเท่านั้น<ม>เด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวก็หันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อย<ม>เขาจะซุกตัวเข้าสู่อ้อมอกของมารดาและกอดรัดเหมือนอะไรอย่างที่สุดาการให้อภัยคนที่ตนรักนั้น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 ย่อมหันเหบิดเบือนใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทําได้ทุกอย่างเพราะพุทธองค์จงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงครอบงําจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูกุฏินอนเหมือนคนเจ็บหนักพิษุณีผู้อยู่ห้องติดกันได้ยินเสียงครางจึงเคาะประตูเรียก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 ไปสู่สำนักพิษุนีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีฬาพิสูนีแล้วความสงสารและกังวลของท่านก็ค่อยๆ ค, คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแผงทะลุความรู้สึกและเทลัญยาการของนางท่านรู้สึกว่าท่านถูกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางอจะเป็นไข้แต่เอาเถอะพระอนุนตรบ ก, กับตัวเอง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 อาตมานเคยผ่านความรักมาและก็ประจักษ์ว่าความรักน่ะเป็นความร้ายความรักน่ะเป็นสิ่งทารุณและก็เป็นเครื่องทําลายความสุขของปวงชนอาตมาน่ะกลัวต่อความรักนั้นทุกคนน่ะต้องการความสมหวังในชีวิตรักแต่ความรักน่ะไม่เคยให้ความสมหวังแก่ใครถึงเครื่องหนึ่งแห่งความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบถาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วน่ะ